เรื่องภิกษุยกปาติโมกขึ้นแสดงทุกวันข้อหนึสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการยกปาติโมกขึ้นแสดงในวันอุโบสถแล้วจึงยกปาติโมกขึ้นแสดงทุกวันภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื oh ่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงยกปาติโมกขึ้นแสดงทุกวันรูปใดยกขึ้นต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ยกปฏิโมกขึ้นแสดงในวันอุโบสถต่อมาภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการยกปฏิโมกขึ้นแสดงในวันโอโบสถแล้วจึงยกปฏิโมกขึ้นแสดงปักละสามครั้งคือในวัน14บ่ค่ำวัน15คห้าและวัน8ปดค่ำภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ